พระธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่เจโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2556มีชื่อเรื่องว่าถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างฮลัลโหลเอานางประจำที่ลูกหลาน รับพรไหวพระอย่าไปคุยกันอยู่ในบ้านทุกเจ้าคุยกันจนพอแรงแล้วเผยเผยนี่จะลอกับหัวอีกต่างหากคุยกันมากเกินไปเพราะนนะทุกเจ้ามาชูวัดอย่าไปหาคุยกันอยู่ในความสงบเงียบเดี๋ยวลงปูลงตาสิบ่ยังให้ฟังพออระ ถ้าหลวงพ่อนับบูผิดว่ามั น, 28, มม น, ม น, นยี่สิบแปดองค์กันหมดเลยพระยี่สิบปดรูปพระยี่สิบแปดรูปกว่าหลเล ย, ยปีนี้พระจำพรรษาอยู่วัดหลวงพอ่อทั้งหมดทั้งพระทั้งแน่นสี่สิบปีนี่พระจำพรรษาวัดหลวงพอ่ขอพอพรรษาแล้วเกิดนั่นแหละลาสิกขาไปก็มีแต่หลวงพ่อเอามาดี่ทั้งหมด ทางพระนอกวัดในวัดมันสิบเอ็ดองค์บวกมากับหลวงพอ่อมาเบิงชอยๆงานาเบิงเบิ้งอีกทางว่า ม, มีแนวชิรสั้ขอลองพระมา่อยอีกจิตระดมพระมาอีกมาซอยกันเบิงเบงหลายๆด่านหลายมุมต่อไปก็คงจะจัดเครื่องทายธทมทายท่านไปจะอยู่ในตำแหน่งไหน ดูแรกพระสงฆ์คู่บาอาจารย์ตอนรับครับสู่พวังงานของหลวงปู่ของงานใหญ่เมื่อเนี่ยก็เป็นวันทีวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกาห้าหกเริ่มละแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังขยับว่าท่านใดก็คือพี่น้องลูกหลานยังเกี่ยวเข่าอยู่ยังหนุงกับการเกี่ยวเขา่าเก็บเขา่า เรื่องเขาเรื่องเรื่องน้ํานะี่ยเป็นปัจจัยสำคัญกันว่าเฮ้าสาไปสักหน้อยก็เสียหายเฮ็ดมาทั้งปีผลได้สูงก็เขาลลนทิมเพราะนั้นจุดนี้เป็นจุดทีผู้ที่เคยเป็นโดยเฉพาะยางเยิงยั ง, งพอเนะี่ยเป็นลูกเศ้าห้เศร้าหน้ามา ก, ก่อนเนะี่ยพอจะหูจักคุณค่าได้แหละ แปลว่าหนีบลกหนีบอออกในช่วงนี้แปลว่าปากต่อปากฟันต่อฟันมือต่อมือแล้ววันต่ไปจะต้องเก็บเขาให้ได้คำนว่าบเก็บในช่วงนี้แปลว่าเสียหายเขามันลนมันงอมเขามันล้มเกี่ยวเขากว่าจะเก็บได้เสียเวลาอีกเพราะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องถึงขั้นจะมีงานไพในวัดขนาดไดนก็ตามขยับพอออกขึ้นกัน พอวัดพี่น้องไปใช่ช่อดูลานทุกคนหนุ่งยากเกียวกับเกลียวเขาเกีียวน้าเกียวกับการเก็บเข่าเขายุ่งเขาฉางเนีเพราะนั้นเรื่องงานของหลวงปูของเฮ้าในช่วงนีก็ประคับประคองช่วยๆกันดูแล <Yeah. S 1> จางไฟคูบาเี่กก็เ <Yeah. S 1> บิงเบิงเรื่องงานม <Yeah. S 1> องได้ที่เป็นตาเหตุพวกผู้ติดตามคูบามากขึ้นกัน เป็นแต่มาเฮ็ดโตเฮ็ดเตียงเฮ็ดยังลอ่อล่องานกันตลอดหอดัดงงัดยาเพราะนั่ะปับที่ตรงที่ดินอันไหนไม่ได้เกิดประโยชน์ต่องานลงผู่ห่อซิโซ่กันเบิงนะ่งเน่าพาลูกพาหลานเนะ่าลงพอมีแต่นั่นเนปะ็นแต่เบิงเบ่งอยู่ทางเทงิงเบิ่งมองความขาดเหลือขาดตกบกพร่อ ง, ม, องมีอยู่จุดใดกันว่าลูกหลานโอ้ลงพอย จุดนั่นจุดนี่น้านะขาดตกบกพ่องนะ้าการอยู่การชั้ น, น, น, น, นหําปลาหน่งหําปลานะไอยางกระตามไอจีมันขาดเลื้อขาดตกกระบอกลมพอนี่ปให้เข้าเป็นลมปูลงตาก็ม่องมอ ง, มองอยุดทั้งท่งขนข้่นวามีความจําเป็นยังกระบอกเรือว่างานของเฮ้าจะต้องได้ไปติดต่อประสานกับข้าราชการกลุ่มนั่นกลุ่มนี้น้านะลงพอหนดะ้า จริงๆเราเนี่ก็ต้องบอกออพอลมพอนี่เจมีแต่ค้อยเบึง เ, เป็นหูเป็นตาให้งานหลวงปูของเฮ้าสำเร็จลุลวงไปด้วยดีทา น, น ล, ะบบละกับบ่มีอย่างแล้วก็ลูกหลานทั้งหลายพาเนนทุกโ อ, นะอ่งหน้าซอยๆกันอย่าไปทะเลาะอีวาดกันให้หักกันพีนองคันาว่าพวกเฮ้าได้จัดงานของหลวงปูพานไปแล้วพวกเฮ้าจะภาคภู่มใจยังมากนะลูกหลานนะ อย่างหลวงพรอนีกันได้จัดงานหลวงปูหลาได้จัดงานของคุณแม่ชีแก้วได้จัดงานของหลวงตาได้จัดงานคู่บาอาจารย์หลายองค์หลวงพอนึกย้อนหลังแล้วก็ภาคภูมิใจในการได้ดูแลเขาไปไกลฉิดได้เขาไปจัดได้ใส่สติได้ใส่ปัญญาได้ใส่ทุนทรัพย์จตุปัจจัยได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพ่อแม่ครู่บาอาจารย์เพื่อหลวงปูหลวงตาของเฮ้า มันภาคพู่มใจเป็นตึกๆลึกนะเพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายหลวงพ่อเองก็อยากจะให้ลูกหลานทุกคนนั้นมีนามจิตนามใจมาอยู่ด้วยกันการทะเลาะวิวาทกันการกินแหน่งแข่งใจกันยาไดมีเพราะว่ามันกินแหน่งแข้งใจกันแล้วถึงยังไงไปจนหอดมือตายก็ยังคโยนไปโอ้ยอไปอยู่นั่นนั่นหลวงปู่จามไปก็ทนะเลาะผ้าเป้าไปตีกันอง ไปทําำลายทำลายไปตีกันในพระในวัดพเพล่ะเขืดย่ำไรเขาก็สบายใจย่ำนั่นเป็นมุ่นทิ่นทา้งด้านจิตใจเพราะนั้นตรงมีความอดทนการทําการทํางานกับธรรมดาละ่ะผิดใจบงังบอถือใจบงังกันวเว่าเขาก็สบายใจหค่ย่างนี้ซะออยังคอยมีอย่งก็คอยมาบอกมาว่ากันนี่แหละหลวงพ่อไปที่ใหนหลวงพ่อเทศแนะนําบอกกาวลูกลานให้ลวงมีความพผอมเพียงสมัครีกัน พอหลวงพ่อเนี่ยคยเป็นพระหน่อยพระนมเคยเป็นเนย่ยมากเลยเป็นเนย่ยมากถึงแปดปีเป็นพระหน่อยมากใต้เต่าขึ้นมาถึงแต่พุ่นนอนไปเพราะนั้นหลวงพ่อจึงหูจักว่าการดาเนินชีวิตหรือว่าการประคับประคองอกับตัวเองเป็นจังไรในช่วงนั้ น, น, นมั่นใจ่อนจังได้มั่นใจเป็นจังไรหลวงพ่อจึงหูจักพราะนั้นหลวงพ่อจึง ไปใส่หลวงพ่อจึงบอกเก้าแนวน้ำลูกลานหายมีน้าจิตน้าใจต่อกันให้มีเออเป็นใจทิวาเออมุ่งหวังหรือมุ่งมันนอบนอบ้นอม บ, บูชาประคุณของหลวงปูไวยกรเป็นเบื้องหน้าแนวเหลือยังอื่นเะนี่ยอย่าไปหาเบาอย่าไปหาคืดมันเข้าบริยุทธ์ร่วมกันพอ่อหลายปีดีดักกันยังดอกมาําทํากัน ทำการทำงานช่วงระยะนึงเท่านั้นเอง เ, อเพราะนั้นพวกเข้าถูกองเน่าันมาพวกเข้าได้ทําไปแล้วนะ่ะเธอถ้าว่าท่าบดีเข้าไปก็เสียใจถ้าว่าพวกเข้าได้ท่ำดีเขาจะพู่มใจยางมากตลอดไปอีกต่างหากอย่างพวกเข้าดูก็เม็นเข้าพอท่านตายเดี๋ยวนี้มันไปโอ้เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานนผู้ขาดนี่แล้วผู้หนึ่งฮะได้ไปจัดตงูงตรงนั้นตรงนี้ ได้พบกับพระสงฆ์จุดนั่นจุดนี้เฮ้ากับเจ้าโบจักแล้วจักเลิกขึ้นกัน เ, นเพอพอได้เฮ้าได้จัดงานพระพุทธเจ้าแต่บัดนี้พ่อมางานหลวงปูม่มันขึ้นกันโอ้ยผู้ขาดเลยจัดงานหลงปูม่มันได้ดูแลจุดนั่นจุดนี้ได้ต้อนรับครับสู่ขู่ค้นเขามากเกี่ยวของอได้หาฟื้นได้หายังเฮ้าก็จะาภาคพุ่มใจขึ้นกันปนั้นมาถึงหลวงปู่ของเฮ้าขึ้นกัน ลงพวาพวผัวเข้าได้จัดได้เตรียมงานถ่ถวายชลีละของหลวงปู่จามของพัวเข้าน่ผัวเข้าถําผ่านไปแล้วก็มันเป็นเครื่องประทับในจิตในใจของเข้าน่านเท่าน่านทีเดียวนี่พรลูกพระลานทุกูุทุกคนนะซอยๆกันเบิ่งคนละไม่คนละมือเอําบอกกีเกียดกีข้านอย่าหายมีขณะที่พอฉันที่นั้นแล้วเพราะเหตุแห่งก็เหตุมันกระโวยกี่มือดอกเดือนกว่าท่านเองฮะ จากนี่ไปวันที่นี่วันเมืก็วันที่ยี่สิบสองละพฤศจิก า, าแล้วก็เดือนกว่าตัวเองวันที่ห้ามกราเนะมื่อบวกี่เดือนในพอดีมือ่อนานของลงปูของห้วาวก็จบแล้วันจากนั้นก็ได้เก็บสิ่งเก็บของต่างคนต่างเงียกย้ายกันกลับไปหาภาวนาของไผ่ของมั่นแต่ในช่วงนี่เป็นช่วงที่ห้าทําการทํางานก็คืออย่างจะติดเนี่ย เข้าจะมา เ, าเข้มขึ่ม เ, เข้มงวดขวดขัดในช่วงนี้ก็งบุตรเขารา้เาตรงตึงอย่างเต็มที่ของผชายในเมื่อชายเจ็ดเรียบร้อยแล้วได้งานเจ็ดแบบหเข่าป้าเข้าหลงบันไปหาดูตามถาต า, ามผู้ผาป้าใหม่หาพาวะท้าของพัยของมันรับหูรับตาเป็นเล่นความผาบความเพี้ยนหาทางคนถูกนันอันนั้นแหละคือเนี่ยแถวพ่อแม่คู่วายจานพวกเขาเา้าผ้า ดำเนินภาคปฏิบัติมากในช่วงเนี่ยเป็นช่วงที่รวมกันแสดงความคิดเห็นด้วยสติด้วยปัญญาด้วยจัทวาด้วยความเพียรด้วยความอดทนนัน่งนาทีการงานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยซอยๆกันเบิกเนา่ญญาผู้ใหญ่เป็นผู้ให ญ, ญ่ผู้หน่อยเป็นผู้หน่อยอยู่น้ากันนะหลวงพ่อเองก็เป็นหลวงหูหลวงตาอยู่ทั้งทงอย่างที่ว่าเนี่ยนะลกูกหลานมีปัญหายาง จใจหลวงพอ่อซอยยังกับคนกุมใด เ, เกี่ยวกับขราชการบอกมียังกามาถามมาบอกหลวงพ่อจะเป็นผูปิสารอบอกก้าวให้เพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นลงหูลงตาหูจักกับขู่กับคน้นก็จะว่ามากกับมากพ่อสงค้อนค้นพอเกิดมาหลายปี ข้นมาเกิดแล้มาหลายปีมันก็ลงหัวจักคนหลายกว่านเกิดมาหน่อยปีฮะลงพ่อกับขวดเกิดมาหลายปีก็หัวจักกุมนั้นกลุมนี่คณะนั่นคณะนี่ผักนั่นพวกนี่จิ้มางซอยงานลองปูของเฮามีอย่างแน่ลงพ่อกัลูกหลานจะเน้อขืนมาลงพ่อก็จะได้อ่ออานอวยหากุมนั่นกุมนี่เออเป็นยังไงลูกหลานกุมนั้นกุมนี้จะมกม้าซอยงานของ หลวงปู่หลวงตาหาอ่อไถ่บ่อน้อหลวงพ่อก็จะเอินไปเพราะนั้นหลวงพ่อจะหูจักความคัดของของลูคของหลานทุกนีหลวงพอ่อก็บงจักด้วกันได้เพราะหลวงพ่อมันเนี่ยอยู่ในระดับเป็นหลวงปู่หลวงตาได้นเนั้นคอยพระเนตรูกขลานทุกทุกองเน่นยจะท่าแดนุ่มทุกคนที่เกี่ยวของการงานจะซอยๆกันเบิงผสมจะจะย่อยเข้ามาเรื่อยๆเลยได้บาปนี เรื่องรุงคั้วนักหนาจังไลยค่ะหลวงพ่อก็อยากจะฟังอะไรที่กันนะ่ะโอ้ยหลวงพ่อนักหนาเรื่องอาหารเรื่องเรื่องพระเรื่องเจ้ากระบอกมากขื้นกันหลวงพ่อเนี่ยจะฟังในทุกแนวของหลูกหลานความบสบายใจของหลูกหลานทุกแนวในงานของหลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อพร้อมที่จะรับหูรับทราบและก็พร้อมที่จะช่วยการปรปับปรุงแก้ไข แห่งานลงปูของเ้าในําเร็จล่วงไปด้วยดีพอตกรน่านี่ก็ลงพอกเออยังอีกปีนึงฮะปีนึ่ ง, งแต่บาทนี้มันบอกเปนปีหนึ่งแต่เดือนกว่าเท่าบาทเนะี่ยพอเดือนกว่านะเขาก็ต้องช่วยกันละบาดเนะี่เขามากคนละไม่คนละมือ่อผู้ใดเห็นดีหมองใดมองใดดีมองใดมองใดมันจะสมบูรณ์ที่สุดนะอผู้เขาก็จะต้องได้ช่วยกันฮะ ตอนนี้ไปรับพ่อเนื้อพระสงฆ์อนโมทนาใหา้พ่อ